คุทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสัมม น, น, นาสนทนาดิฉันสัมม น, นาคมดําเนินรายการช่วงเทศกาลสงกรานตธรรมะของพระาศาสดาก็ใช้ได้เรียกว่าเราใช้ได้เป็นอย่างดียิ่งในทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกโลกด้วยอันนี้ดิฉันพูดเว่อร์ไหรือเปล่าต้องไปฟังจาก พระภบุอภิปุลโนนะครับพระมหาภัยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศอุดอนธานีที่เมตตามาให้ธรรมะกับพวกเราอย่างสม่ำเสมอค่ะกราวนมัสการ่ันค่คะเชิญพอนถ้าพูดถึงเรื่องโลกนี้ก็มีอยู่3ามโลกด้วยกันนะก็คือรูปโลกกามโลกแล้วก็อรูปโลกธรรมะของพุทธเจ้านั้นตั้งแต่ตอนที่พรอะองค์ก่อนตรัสรู้ก็ได้ฝันมีความฝันว่า มีย่าคางอกขึ้นจากสะดย์ขึ้นไปสูงจนรดฟ้าอันนี้เป็นความหมายที่ว่าพระองค์จะสามารถประกาศธรรมจักได้ในมนุษย์แล้วก็ขึ้นไปถึงเทวดาจนถึงปรมโลกแต่เพราะนั้นในโลกอื่นๆแล้วก็มีการปฏิบัติธรร ม, มากเหมือนกันโดยเขาเวลาที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็ต้องอาศัยสติเหมือนกันอาจจะเป็นเทวดามนุษย์ที่จะปฏิบัติธรรมต้องมีสติสติในที่นี้ก็คือเราใช้อะไรเป็นที่ตั้งเอาไวา้ก็ใช้ลมหายใจของเรา นะตั้งสติขึ้นโดยให้ใจของเรามาอยู่กับลมหายใจเมื่อไหร่นะใจมาอยู่กับในกายอยู่ในลมหายใจเมื่อไหร่นะสติก็ตั้งขึ้นทันทีสตินี้คือความระลึกได้ในที่นี้เราระลึกถึงกายระลึกถึงลมหายใจของเราในขณะที่เราระลึกถึงกายระลึกถึงลมหายใจได้นีนะ้ความไม่ประมาทจะเกิดขึ้นด้วยแตนะ่เพราะสติและความไม่ประมาทจะเป็นอย่างเดียวกันครู <mica>. ชาได้เคยพูดถึงเรื่องความไม่ประมาท นะโดยเปรียบเทียบกับบุคคลที่ประมาทเอาไว้อย่างนี้ว่าพิสุจ์ทั้งหลายบุคคลที่เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอย่างไรเล่าคือถ้าเมื่อเธอสำรวมอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมไม่เกลือกล้วในรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตาเมื่อเขามีจิตไม่เกลือกล้วปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทแล้ว ปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงรับผู้มีกายสงบระงรับจิตย่อมสบยสุขจิตของผู้ที่มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทาทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะทาทั้งหลายปรากฏบุคคล น, นั้นย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็นผู้มีปกติ อยู่ด้วยความไม่ประมาทบุคคลเมื่อสำรวมอินทรีย์คือหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจจิตก็ย่อมไม่เกลือกล้วในเสียงกลิ่นรสผลภัณฑและรรารมณ์นั้นเมื่อจิตไม่เกลือกล้วปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระ ง, งับ ผู้มีกายสงบระงับย่อมอยู่เป็นสุขจิตของผู้ที่มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของทมทั้งหลายบุคคลนั้นย่อมถึงซึ่งการนับว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทโดยแต่อย่างนี้แหละเรียกว่าบุคคลผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท พ่สูจ์ทั้งหลายเหยี่ยวตัวหนึ่งได้โฉบลงจับนกมูลไถตัวหนึ่งไปได้โดยเร็วนกมูลไถกำลังถูกเหยี่ยวนําไปได้พร่ำรำพันอย่างนี้ว่าแน่ท่านเหยี่ยวเราไม่เข้าลักษณะของผู้มีบุญเรามีบุญน้อยเราจึงเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปถ้าในวันนี้เราเที่ยวไปในวิสัยอันเป็นบิดาของเราเหยี่ยวตัวนี้ หาสู้เราไม่ได้เยียวจึงได้ถามกับนกมูลไทยอย่างนี้ว่านี่น่ยเจ้านกมูลไถ ท, ที่ไหนของเจ้าเล่าซึ่งเป็นวิสัยอันเป็นของแห่งบิดาของตนเที่ยวไปท่านเยียวมีก้อนดินก้อนหนึ่งซึ่งคนทำการไถ ท, ทิ้งไว้นั่นแหละคือวิสัยเป็นที่เที่ยวไปของบิดาเราครั้งนั้นเยียวผู้แสดงความญิง่ง เพราะกำลังของตนผู้อวดอ้างเพราะกำลังของตนได้ปล่อยนกมูลไถไปด้วยคำว่าไปเถอดเจ้านกมูลไถเจ้าจงไปในที่เชนั้นก็ไม่พ้นมือของเราแน่กระนั้นนกมูลไถไปยังที่ที่มีก้อนดินซึ่งคนทำการไถ ท, ทิ้งไว้แล้วจึงขึ้นยืนบนก้อนดินใหญ่ท้าเหวว่าที่นี่มาสิท่านเหวของเราที่นี่มาสิท่านเหวของเรา ในครั้งนั้นเหียวผู้แสดงความยิ่งเพราะกำลังของตนผู้อวดอ้างเพราะกำลังของตนได้หอปีกทั้งสองข้างแล้วโฉบลงไปในที่นกมูลไถยโดยรวดเร็วในการดูแลนกมูลไทยรู้ตัวเสียก่อนว่าเหยียวใหญ่ตัวนี้เข้ามาใกล้จะจับเราแล้ ว, ลวในการนั้นนกมูลไถยตัวนั้นก็หลบเข้าซอกดินเสียครั้งนั้นแหล เยี่ยวตัวนั้นเอาอกกระแทกดินตายเพราะความเร็วนะตรงนั้นนั่นเองพิสษจ์ตั้งหลายผู้ที่เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งมิใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปแห่งตนย่อมมีอันเป็นไปด้วยประการชนี้อันนี้คือตัวอย่างของการเที่ยวไปในที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปแสดงถึงความประมาทเช่นกันสาธุค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่ น่าสงสัยหลายอย่างเลยนะคะใช่อย่างแรกก็คือนกมูลไทยเกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อกันหลายคนล่ะคะ่ะอย่างถัดมาก็คือว่าก็งงนะคะว่าทำไมที่เอเรื่องพูดได้นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ล่ะคะ่ะแต่ว่าเรื่องที่สงสัยก็คือว่าที่ ท, ที่บิดาเที่ยวไปเ่อใชแล้วก็บอกว่าเป็นดินที่มีคนไทยไว้แล้วใช่ไหมคะมมมตรงนั้นล่ะคะ่ะคงจะต้องรบกวนให้ท่านขยายความเอจริงๆตัวนี้มาจากสองประศูนยด้วยกัน นั่นคือเราต้องการพูดถึงเรื่องความไม่ประมาทนัก็เลยพระเจ้าก็ได้บอกถึงความไม่ประมาทก็คือคุณไม่คุณมีการสํารวมอินทรีย์ sea, คุณไม่เปิดอินทรีย์แบบโดยทั่วไปต้องมีการสํารวมอินทรี sea, ใช่ไหมเราก็ได้ยกตัวอย่างถึงในพระสูตรที่2พูดถึงเรื่องของนกมูลไถ่ น, นกมูลไถเนี่ยเป็นนกตัวเล็กๆที่อาศัยหายกินตามดินนนั้ดินที่มันชาวนาเขาไถาเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีแมลงอะไรในดินพวกนี้นกมูลไถ่ก็จะหากินบริเวณนั้น แล้วก <profile> ็มันก็ <egal. S 1> ไม่ได้บินสูงนะก็สูงไม่เก <co> ินยอดไม้นี่คือที่เที่ยวที่หากินของมันนะปรากฏว่าไอ้เจ้านกมูลไถตัวนี้มีอยู่มันหนึ่งมันบินขึ้นไปสูงเกินยอดไม้นะซึ่งนี่มันไม่ใช่ที่เที่ยวที่หากินแล้วนกนกเหยี่ยวเนี่ยเขาบินสูงนะเขาเห็นตัวนี้ปุ๊บอยู่ออกมานอกอนณาเขตที่เขามันเป็นกว้างๆมันบินไปได้เนี่ยก็เลยไปจับนกเหี่ยวเอ่อจับนกมูลไถตัวนี้ได้นะเพราะว่ามันออกมาจากที่ที่หากินของมันนกมูลไถตัวนี้ก็ เลยบอกเหี่ยวอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะเหลี่ยวด้วยความหยิ่งผยองก็เลยปล่อยนกมูลไถไปนะตรงดินถ้าคุณโยมติ๋วอาจะเคยเห็นชาวนาที่เขาไถาดินเนี่ยดินมันจะเปิดเปิดออกมานะ<ฆ>งคงนึกภาพออกแล้วก็ เ, เห็นเนื้อดินอะไรต่างๆเหล่านั้นนะั่นก็จะเป็นก้อนดินก้อนอะไรขึ้นมาทีนี้ก็ท้าเหี่ยวให้มาจับนกะมูลไถก็รอจังหวะที่เหวี่ยงเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้แล้วก็หลบเข้าในในก้อนดินหลังก้อนดินทีนี้ ด้วยตามหลักฟิสิกส์เนี่ยถ้าปกติเราโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วถ้าเราจับตัวน้ำมูลถ ไ, ได้ใช่ไหมตามหลักฟ<ม>ิสิกส์เนี่ยโมเมนตัมมันจะลดลงทันทีเพอโมเมนตัมลดลงปุ๊บเขาก็จะทะยานขึ้นฟ้าได้แรงมันจะถูกลดลงไปด้วยมวลที่เพิ่มขึ้นของน้ำมูลถ่านะแต่เพราะเกิดว่าเพราะความที่จับไม่ได้ทาให้โมเมนตัมมันเกินนะก็เลยต้องอกกระแทกตายนะอกกระแทกดินเนี่ยนะตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายนะ เ, เพราะว่าความประมาทจะทุกข์ค่แม่ ไ, ได้วิชาฟิสิกเข้าไปด้วยอุปมาปัจจัยนี้หมายถึงอะไรพนะระพุทธเจ้าพูดถึงที่เที่ยวที่ไม่ใช่ที่หากินของตัวเองเนี่ยนะคือวิสัยของกามนะคือตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าเราไปอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเป็นที่หากินของมารเราจะถูกมารโฉบไปกินได้นะแล้วที่ไหนที่เป็นที่เที่ยวที่หากินของบิดาราบิดาเราคือพระพุทธเจ้านะแต่เราทั้งหลา ย, ยมีบิดาอยู่คนเดียวกัน นะคือบิดาในวิวัตตานะวิวัตต์คือหมายถึงที่ที่มันไม่หมุนที่ที่จะเป็นที่หลุดพ้นเนี่ยมีพ่ออยู่คนเดียวกันคือพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าพ่อในวัตต์เนี่ยมีหลายคนนะแต่ละคนก็มีแต่ละคนแต่ละชาติก็เป็นของแต่ละคนไปด้วยนะอ่านะแต่ในวิวัตตะมีบิดาคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วิธีเที่ยวของบิดาเราก็คือสติปัฏฐาน4ี่นั่นเองนะก็จึงต้องบอกว่าไอ้ความไม่ประมาดเรื่องการสังมลิอินทรีย์แล้วก็สติปัฏฐานสีเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน ค่ <Okay. S 1> ะไม่ว่าคุณจะไปเหนือล่องใต้นะคุณจะอยู่กับใครถ้าคุณมีสติปัญาสี่มีการสมรวมอินทรีย์เป็นผู้ไม่ประมาทชื่อบ้าอยู่ในที่เทียบของบิดาของเรานะดูตัวอย่างนกมุญไทยเป็นต้นว่างั้นค่ะงั้นอ่อในฉันเข้าใจเรื่องนกตอนที่ท่านอธิบายตัวนกว่าเอา่อเป็นอย่างไรบินไม่สูงเนี่เเข้าใจว่าคงตัวไม่ใหญ่ใช่ไหมคะใ่ใหญ่กล ย, ยาสามารถเกาะที่ก้อนดินแล้วก็เป็นหลบในโพรงได้นะฮะอา่าแต่ว่า ประเด็นก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องรู้ว่าข้อที่หนึ่งต้องไม่ประมาทใช่ไหมคะต้องรู้ว่าที่ไหนไปได้ที่ไหนไม่ควรไปแต่ทีนี้อันนี้ไม่ได้พูดกถึงเรื่องเดินทางไปมาแบบโล ก, โลกของเราอย่างเดียวแต่พูดถึงเรื่องความสุขความทุกข์ของเราด้วยก็จึงได้เน้นให้เราควบคุมผัสสะของเราใช่นะค ะ, ะคแล้วก็ควบคุมอินรีอ<า>ินรีนั่นเองเป็นช่องทางให้เกิดผัส ค่ะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงว่าสติปฐานสี่คือจิตของเราเนี่ยไปรู้ในสิ่งที่ควรรู้ใช่ไหมคะจิตของเราคือมีที่ตั้งสติเนี่ยแปลว่าที่ตั้งที่เราลึกถึงอ๋อค่ะไปตั้งอยู่ในที่ที่ถูกใช่ไะในกายเวทนาจิตธรรมถูกต้องถูกต้องฐานทั้งสี่อแล้วคือถ้าตั้งตั้งอยู่ที่นี่แล้วจะไปที่ไหนก็ได้นะถือว่าเราอยู่ในที่เที่ยวของบิดาของเรา ค่ะกําลังจะบอกท่านทั้งหลายนะคะว่าถ้าฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยท่านได้เที่ยวไปในที่ตั้งที่เป็นที่อยู่ของบิดาของเราแล้วถูกต้องสรุปนี้ได้ไหมคะใช่ใช่ใช่คนฟังบอกไม่รู้เรื่องเลยอยู่ยังไงเหรอคะท่านอาจารย์คะก็สตินี่ไงนะคือเครื่องอยู่ที่อยู่เนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าจะเปรียบเทียบอย่างเราอยู่บ้านใช่ไหมในกระตางกายภายนอกใช่ไหม คุณไปที่ทำงานตอนเย็นก็กลับมาอยู่บ้านนี่บ้านเป็นที่อยู่ของเรานะไปต่างประเทศสี่หวันกลับมาก็อยู่ที่บ้านนะทีนี้เราจึงมีบ้านเป็นที่อยู่แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะอยู่บ้านตลอด24ชั่วโมงนะแต่เรามีบ้านเป็นที่อยู่เช่นเดียวกันเราบอกว่าเรามีลมหายใจเป็นที่อยู่แมแต่บางทีมันก็ลืมลมนะเาราลึกได้เมื่อไหรา่กลับมาอยู่ที่นีนะ่ก็คือมันอาจจะไปคิดบ้างอาจจะพูดบ้างอาจจะไม่ได้รู้ลมตลอด แต่พอเลิกได้เมื่อไหร่ปุ๊บอ้าวกลับมาบ้านทันทีอันนี้เรียกว่ามีลมหายใจเป็นที่อยู่เป็นเ <สา S 1> ครื่องอยู่นะอันนี้ต้องตอบแบบพระแล้วตอบแบบผู้ปฏิบัตินะคะเที่ยวบ้างแล้วก็มามีลมหายใจเป็นที่อยู่แต่พวกเราบอกว่าเที่ยวมากระหว่าง <c oughs> บ้านร้างนะระหว่างบ้านราก็แ <c oughs> ป ล, ว, ล, <c oughs> ปลว่าต้องเที่ยวให้หน้อยลงก็คือต้องก็ ต, ต้องมีสติอยู่ด้วยอ่าคือคือบางทีเราพูดเราทํางานรารู้หายใจไปด้วยได้นะ อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้หนีออกจากบ้านเนี่ยทํางานที่บ้านเหมือนกันเถอะค่ะไ่ค่ะก็เนี่ยค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเห็นไหมคะท่านผู้ฟังมันคนรู้ว่าโอ้โหยังไม่ว่างเลยไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้หรอกธรรมะเนี่ยรอให้ว่างก็มีไม่เข้าเวลาว่างของมนุษย์จริงๆเลยค่ะเวลาว่างเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นอิสระจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยนี่สิแเราถูกจับขังน่วงเหนียวบีบคั้นอยู่ตลอด คุณลุงเจ้าพูดอย่างนี้นะคุณยมติบอกว่าตาเนี่ยย่อมเดือดร้อนเพราะรูปนะอาจเป็นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างนะหูล่ะหูก็เดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเสียงน่าพอใจมันน่าจะดีน่าไม่น่าจะเดือดร้อนจะไหมค่ะคนทั่วไปจะคิดอย่างนี้แม่ฟังเพลงเพราะๆก็น่าจะดีน่นไหนบอกว่าเดือดร้อนนะหรือว่ากินอาหารอร่อยๆเนี่ยลิ้นเนี่ย ทำไมถึงบอกว่าต้องเดือดร้อนเพราะรถที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างนะมันเดือดร้อนตรงที่ว่าตอนมันไม่ได้ไงคือได้เนี่ยก็ดีนะตอนมันที่มันจะเพราะมันไม่ได้ตลอดเนี่ยมันจะหายไปอย่างเงี้ยกินอาหารมันก็มีวันหมดนะตอนที่หมดไปแหมมันมันจะเดือดร้อนละมันจะเดือดร้อนตรงนี้ค่ะเพราะนั้นเวลาที่เราจะว่างเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยเพราะเราจะต้องถูกภาษาที่พอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจกระทบอยู่ตลอดเวลา <ะ>บางคนจะคิดว่างั้นก็ไอตอนที่เราพอใจเนี่ยไม่ถือว่าเป็นกระทบนั่นแหะเราคิดผิดนะเพราะว่าเราถูกหลอกให้เราเราชอบเราหลงไหลแต่ความชอบความหลงไหลนี่จริงๆเป็นโทษแต่เป็นโทษตรงที่ว่าเราจะเสียมันไปได้นั่นเองพูดถึงฟังอย่างนี้แล้วก็เลยอยากจะถามท่านอาจารย์หนะะ่อยค่ะว่าดังนั้นอารมณ์ที่เราพอใจเนี่ยมันก็น่ากลัว มากสิคะนัารศึานี้ต้องทําความเข้าใจนะคุณยมติวแต่ถ้าอย่างนั้นก็เลยต้องเข้าใจว่านัี๋ฉันก็ไม่ฟังเพลงสิไม่ไปไหนไม่กินอะไรโอ้โหมันจะอยู่ได้เหรอเดี๋ยวเดวเราทความเข้าใจอย่างนี้นะว่าอาหารก็คืออาหารถูกไหมแต่ความพอใจในรสอาหารอยู่ที่ไหนคุณยมติวตอบที่ใจค่ะนัารศึกที่ใจถูกต้องโดยมีลิ้นเป็นช่องทางหรือว่าความพอใจในเสียงที่เราได้ยินเนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเหมือนกันอยู่ที่ใจถูกต้องโดยมีหูเป็นช่องทางถูกไหมเพราะนั้นความพอใจไม่ได้อยู่ที่เสียงนะ ฟังให้ดีนะความ <Their S 1> พอใจไม่ได้อยู่ที่เสียงความพอใจไม่ได้อยู่ที่หูความพอใจไม่ได้อยู่ที่ลิ้นความพอใจไม่ได้อยู่ที่รสความพอใจไม่ได้อยู่ที่ตาความพอใจไม่ได้อยู่ที่รูปแต่อยู่ที่ใจค<า>่ะท่านอ น, นุนแหมฉลาดมากท่านท่านระอนุนเปรียบเทียบไว้อย่างนี้บอกว่าเอาวัวมาสีดำตัวหนึ่งวัวสีขาวตัวหนึ่งมาผูกไว้กับหลักหลักเดียวกันเราจะบอกว่าเป็นวัวสีเทาได้ไหมมันไม่ได้ตัวดำก็ดำตัวขาวก็ขาวแต่มันผูกอยู่กับหลักเดียวกัน นะเช่นเดียวกันตอนเนี้ส3มอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะณจุดเดียวกันนะคืออะไรคือความพอใจคืออะไรลิ้นก็อยู่ตรงนั้นรถก็อยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ตรงนั้นแต่เราต้องแยกแยะให้เห็นนะว่ามันคนละอันกันนะที่เราต้องทําให้มันขจัดออกไปเนี่ยคือความพอใจและความไม่พอใจที่อยู่ที่ใจรถหรือว่ารูปมันก็เรื่องของมันอ่ะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอ่ะอ่ารับเข้าใจนะตรงนี้เข้าใจนะอเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกําลังจะอ่า ทบทวนให้กับท่านผูบรารนิดนานผู้บรารังแยกนะคะว่าแบ่งเป็นสามส่วนใช่คือส่วนของความพอใจเนี่ยหนึ่งส่วนเพราะมันเป็นเรื่องของใจถูกต้องอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของช่องทางที่มันจะมาได้อ่าช่องทางที่จะมาได้ก็คือลิ้นลิ้นอ่านยกตัวอย่างลิ้นเลยตาหูจมูกถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความรู้สึกอันเกิดจากลิ้นคือสิ่งภายนอกที่มากระทบนี่คือภายนอกมากระทบค่ะมันจะแบ่งเป็น3ามส่วนตรงนี้ ั้นรูปก็จะอาศัยช่องทางคือตา<ะ>มากระทบที่ไหนที่ใจแล้วใจเราก็จะเกิดความพอใจไม่พอใจ<ะ>ทีนี้กระบวนการตรงนี้มันเร็วมากมันเหมือ น, นกับพร้อมกันณจุดเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักสังเกตเราก็คิดว่าเอยมันเป็นที่สิ่งนูน้นงั้นจะไาให้ฉันกินหรอไม่ใช่เข้าใจผิด<ะ>ให้กินได้ให้ลิ้นลิ้มรสได้แต่ใจอย่าเกิดความพอใจหรือไม่พอใจตรงนั้นมันจะเดือดร้อนอืค คือดิฉันสังเกตเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ๆรวมถึงตัวเองด้วยนะคะอืมเมื่อทราบซึ้งในรสพระธรรมแรกๆเนี่ยไม่ฟังอย่างอื่นเลยอืมไม่ดูอย่างอื่นเลยอืมปิดตัวเองจากโลกภายนอกเอหมายความว่าแต่ก็มีความสงบในใจถูกไหมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพื่อนดิฉันหลายๆคนเป็นอย่างเนี้เลิกดูข่าวไม่รู้เรื่องอะไรเลยของโลกเจอหน้าบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไปปูพื้นฐานให้ก่อน แล้วถามว่าเขามีความสงบความสุขอยู่ในใจไหมบุคคลนั้นอ๋อเขาคงสงบเหมือนกันอืมอันนั้นก็ก็เพียงพอนะคือหมายว่าเขาก็มีอาหารใจนะมีเครื่องอยู่มีที่อยู่ก็ก็ดีอยู่ค่ะอืมอ่าที่ที่เราจมาพูดถึงในกรณีนี้ก็คือว่าในกรณี้ที่มันเลี่ยงไม่ได้แต่เลี่ยงไม่ได้ว่าเราต้องมีภาษาเราก็มีได้สมาธิก็เป็นภาษาแบบหนึ่งแต่เป็นภาษาที่ละเอียดขึ้นแต่นั้นเองอืมค่ะอ๋อก็เท่ากับว่าในกรณีถ้า คิดว่าตั้งใจจะฝึกปฏิบัติไปแล้วก็ปิดผัดสะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช่ถ้าเขาพอส า, ามารถทาได้ใช่ทาได้ถือว่าดีมากด้วย้ะคะใช่ใช่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าตาหูจมูกลิ้นกายค่ะแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บ้านอึกทึกเหลือเกินที่ทำงานเนี่ยโอ้โหยิ่งไม่ได้เลยนะคะหรือว่ารูปบางอย่างไม่อยากเห็นอ่ะมันมันต้องเห็นน่ะมันต้องอยู่กับมันค่ะอืมก็ ก็เราก็ต้องมาดูที่ใจตรงนี้ว่าไม่ให้มีความพอใจและความไม่พอใจเกิดขึ้นทีนี้เราจะรักษาความจิตของเราไม่ให้มีความพอใจไม่พอใจตรงเนี้ก็ต้องอาศัยสติที่เราพูดนี่เองแตว่าเราต้องเหมือนกับรักษาจิตของเราไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเรามีสติถือว่าเราอยู่ในที่เที่ยวไปของบิดาเราละให้สบายาใจได้ท่านกล่าวคำว่าสติของท่านเนี้ฉันถามนี่เหมือนเขาว่าเพียงแค่เราอยู่ตรงนั้นแล้ว เราบอกกับตัวเองว่าเราเฉยๆเราจะทำใจเฉยๆกับเรื่องพวกนี้ไม่ต้องเข้าสู่ระบบของการปฏิบัตินะคะเพราะบางคนรู้ว่าพอกลับมาลุลมหาห้ใจปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถที่จะเป็นอุเบกขาได้ถูกไหมคะมคือมันไม่ไปรับรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งที่ททต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมคะเราจะมีสติคือเครื่องมือพระเจ้าให้ใช้คือกายเวทนาจิตหรือธรรมคะ่ะเช่นว่าถ้าเราสมมติเราเห็นไม่เที่ยง โดยที่ยังไม่ได้รู้หลมของจงใจอะไรเลยนะเห<ะ>็นไอ้จริงนั้นไม่เตี้ยงเออนี้แสดงว่าคุณมีธรมรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีเอาธรรมะเป็นฐานที่ตั้งของจิตได้อหรือว่าเราเราเห็นเราไม่ยใจอ่าอันนี้คือคุณก็ใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของสติได้ดหรือว่าเราเห็นจิตของเรานะจิตของเราไม่ไปเกลือกกลวในอารมณ์เรามีการสำรวจ ม, มินซีอยู่อ่าอ น, นี่ก็คือคุณเห็นจิตใช้ติดจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติได้อย่างเงี้ย หรือหรือว่าถ้าเรามีเวทนาความรู้สึกเกิดขึ้นนะเราก็มีสติอยู่ในอยู่ในเวทนาของเรานะอันนี้ก็คือเรียกว่าใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งได้อ๋องั้นในกรณีที่ถ้าคนทั่วไปส่วนใหญ่พอมีภัสสะอย่างเงี้ยเวทนามาเลยอืนะคะก็จะมีชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ให้ยังไงนะคะให้ให้ให้ใจเราเอาเอ า, เอาวิธีการที่น่าจะง่ายเนี่ยก็คือให้เรามารู้ลมหายใจลน่ะ คือถ้าสมมุติเวทนามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเราไปรู้เวทนาเช่นว่าเราฟังดนตรีแล้วเราก็ไปแหม่พอใจนี่คือเพลินในเพลินในสุขเวทนาไปแล้วนะมันมันเลยไปแล้วนะอืมเพราะฉะนั้นเพะนั้นก็คือให้รู้ลมหายใจในในกรณีของอาตมานะจะรู้ลมหายใจค่อเนี่ยค่ะเพื่อเป็นเทคนิควิธีใช่ใช่อีวิธีหนึ่งที่อาตมาใช้ส่วนตัวเองก็คือพูดถึงเราเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของเราค่ะไม่ใช่ตัวตน อ่าอันนี้เสียงก็เป็นาธาตุอย่างหนึง่งนะเป็นสิ่งที่จริงๆเราไม่ได้ฟังเสียงเราฟังกระแสฟไฟฟ้าที่มันผ่านมาทางสมองวิเคราะห์ยากแยะเป็นอย่างนี้ไปนะมันก็ไม่ใช่สิ่งเป็นของหลอกหลวงอันนี้วิเคราะห์อย่างนี้ก็ได้ยากแยะอย่างนี้ก็ชื่อว่าเห็นมันเป็นอ น, นัตตาค่ะอืมนี่ก็เท่ากับว่าเรากําลังอยู่ในโลกนี้แบบไม่ประมาทใช่แล้วก็สํารวมอินทรีย์อยู่ใช่ใช่แล้วก็เที่ยวไปในสติปัญฐาซีอยู่ใช่ จึงครบถ้วนสมบูรณ์ทำครบถ้วนเช่นนี้แล้วได้อะไรคะท่านคะก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่ามารทำอะไรไม่ได้น ะ, ะนะมารผู้ใจบาปทำอะไรไม่ได้คะ่ะเราอยู่บนโลกใบนี้บางทีเราก็คิดว่าเราไม่มีศัตรูแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมมีมารมาจากไหนบางครั้งมารเกิดจากความคิดเราเองก็ได้ถูกต้องมารจะทำอะไรไม่ได้ถ้าท่านใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ เที่ยวไปในกายเวทนาจิตทําให้จิตเราไปตั้งอยู่ณที่นั้นๆกราบน้อสการขอบพระคุณพระมหาภบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโอุดรนธานีในโอกาสนี้นะคะมาสการค่ะค่ะท่านฟังที่ครบคราวันนี้ดิฉันคิดว่าก็เป็นการได้วิธีในการที่จะไปดาเนินชีวิตอย่างทําให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ก้าวหน้าทางธรรมด้วยและมานทําอะไรไม่ได้นะคะอันนี้สําคัญมากเลย ก็ติดตามรับฟังรายการสัมมนาสนท น, นาดําเนินรายการโดยดิฉันสัมหน้าผมกันได้เป็นประจํานะคะทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์ที่สถานวิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้ตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึ่งวันนี้เราลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์กันด้วยความไม่ประมาทสำรวมเอซี C. แล้วก็อาจิตตั้งในสติปทาน4ชีวิตท่านจะปลอดภัยจากมารทั้งปวงค่ะผู้ท ว, วัสดีค่ะ